ประเสริฐกว่าการได้ฌานสมาบัติศา ส, สดาผู้นำศาสนาที่มีสาวกมากมายเป็นผู้ประสจากกามราคะด้วยกําลังเจโตวิมุตติประกอบด้วยกรุณาคุณสั่งสอนลัทธิเพื่อเข้ารวมกับพรหมทำให้สาวกไปสวรรค์ได้มากมายนับว่าเป็นผู้ประเสริฐมากอยู่แล้วแต่บุคคลผู้เป็นโสดาบันแม้ยังมีกามราคะอยู่ ก็ประเสริญยิ่งกว่าศาสดาเหล่านั้นขอยกพุทธพจน์ในธรรมบทมาอ้างเป็นตัวอย่างเลิศล้ำเหนือความเป็นเอกราษบนพื้นปัตภีดีกว่าการไปสู่สรงสวรรค์ประเสริฐกว่าสัพพโลกาทิปัดคือผลการตัดถึงกระแสแห่งโพธิธรรมคือโซดาปฏิผล จากอังคตระนิกายชักกานิบาศหากยังรู้สึกว่านิพานห่างไกลและยากเกินไปที่จะเข้าใจถ้าพูดถึงนิพานแล้วยังให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างหงงเหวงก็พึงยึดเอาภาวะโสดาบันนี่แหละเป็นสะพานทอดไปสู่ความเข้าใจนิพานเพราะความเป็นโสดาบันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงความรู้สึก และเข้าใจได้ง่ายกว่าสําหรับคนสมัยปัจจุบันในเวลาเดียวกันภาวะโสดาบาันนั้นก็เกี่ยวข้องกับนิพพานโดยฐานเป็นการเข้าถึงกระแสสู่นิพพานหรือที่อัรถะาเรียกว่าเป็นปฐมทัตแห่งนิพพานคือเห็นนิพพานครั้งแรกนับว่าได้ผลทั้งสองด้านและยังถูกต้องตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วย เมื่อตกลงเช่นนี้แล้วก็ยกเอาภาวะโซดาบันเป็นเป้าหมายขั้นแรกที่จะปฏิบัติและชักชวนกันก้าวไปให้ถึงเป็นทั้งจุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคมและในระหว่างนั้นแม้ยังก้าวไปไม่ถึงก็มีขั้นตอนที่แสดงถึงความก้าวหน้าในท่าำกลางคือความเป็นศรัทธานุสารีผู้ลั่นรุดไปด้วยศรัทธาหรือผู้ก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อ และธรรมานุสาวรีผู้ลั่นรุดไปด้วยความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ออกดำเนินไปแล้วสู่ความเป็นโสดาบันเป็นผู้เดินทางแล้วหรืออยู่ในมรรคามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยกลับซึ่งท่านจัดให้เข้าอยู่ในชุมชนอาริยะหรือหมู่สาวกสงฆ์ด้วย สำหรับคำจำกัดความสัทธานุสารีและธรรมานุสารีดูได้ในตอนที่ผ่านมาแล้วซึ่งในสมัยต่อมามีคำหมายเกิดขึ้นอีกคำหนึ่งคือจุลโสดาบันแปลว่าโสดาบันน้อยซึ่งพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าพระเทระปางก่อนใช้เรียกบุคคลผู้มีเพียงศรัทธาและความรักในพระพุทธเจ้าหมายถึงศรัทธามั่นคง แต่ปัญญายังไม่แก่กล้าพออย่างที่ตรัสต่อจากสัทธานุสารีและธรรมานุสารีบุคคลในมันชฌิมนิกายมูลปัญนาฏพระอัตถกถ า, าจารย์เช่นในวิสุทธิมัติอธิบายต่อไปว่าหมายถึงบุคคลผู้เจริญวิปัสสนามาจนสำเร็จยาตาปริญญาได้กังขาวิตระักวิสุทธิแล้วเป็นผู้มีความเบาใจ มั่นใจได้ที่มั่นอันแน่นอนพึงพิจารณาเรื่องโอกับปณสัตธาประกอบด้วยแม้หากว่าถ้าโอเอห่วงหน้าห่วงหลังยังไม่แล่นรุดออกเดินทางจริงก็ยังอาจก้าวมาอยู่ในขั้นเตรียมพร้อมที่จะเดินทางได้เรียกว่าเป็นกันระยานปุตุชน เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเริ่มได้ชื่อว่าเป็นอริยาสาวกผู้มีสุตตะคือสุตตวอริยาสาวกะหรือสุตตวอริยาสาวกคือผู้ได้เล่าเรียนอริยธรรมรู้จักอริยธรรมหรือเป็นผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกแล้วเป็นเบื้องต้นที่จะเรียกว่าผู้มีการศึกษาเป็นขั้นของผู้ที่รู้จุด ต, ตั้งต้นของทางแล้ว และมีอุปกรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยของการเดินทางเตรียมไว้แล้วกำลังเดินมุ่งออกจากบริเวณป่าที่หลงเพื่อมาเข้าสู่หนทางแม้ยังอาจก้าวๆถอยๆอยู่บ้างแต่ก็พร้อมที่จะเดินทางได้คำว่ากาลยานปูทุชนบางแห่งเรียกปูทุชนกาลยานกะ คู่กับอันภานปุตุชนอันถานปุตุชนโดยทั่วไปพบในบาลีเฉพาะที่สังยุตตานิกายขันธวารวักและกุตกานิกายเทระคาถาโดยทั่วไปมักเรียกว่าอสุตวาปุตุชนคือปุตุชนผู้ไม่มีสุตตะที่มาคู่กับสุตตวาอาริยาสาวกกลยาณปุตุชนนี้ เฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปฏิบัติจริงจังมีคุณสมบัติที่ทำให้มั่นใจว่าคงจะบรรลุโสดาปัติผลได้ในไม่ช้าพระอัฏถกถาจารย์จัดเข้าเป็นพระเสขะรวมกับพระอริยบุคคลเจ็ดข้างต้นด้วยโดยนับต่อจากสัทธานุสารีและธรรมานุสารีและพึงเทียบจุลโสดาบันในเชิงอัฏฐก่อนด้วยเรียกให้ง่ายว่า การยานชนสำหรับชีวิตขั้นต้นหรือการยานปุถุชนนี้ซึ่งมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญายังไม่มั่นคงแน่นแฟ้นโดยลำพังตนเอง <c oughs> ก็จะมีสุตตะคือการเล่าเรียนการหาความรู้หรือความรู้ที่ได้จากการสดับเป็นคุณสมบัติสำคัญ ซึ่งอาจจะอบรมสั่งสมให้ถึงขั้นเป็นพาหูสัจจะคือความเป็นพาหูสูตรหมายถึงผู้มีสุดตะมากหรือคงแก่เรียนสุดตานี้แหลคืออุปกรณ์สำคัญของการเดินทางในการพัฒนาชีวิตที่จะก้าวไปในอริยมรรค า, าเริ่มตั้งแต่ทำให้รู้จุดที่ทางตั้งต้นคือเหตุแห่งสมาธิสองประการ ได้แก่ประโตโคสะอันได้จากการมีกัลยาณมิตรหรือเซวนาสัตบุรุษซึ่งนำไปสู่ศรัทธาและช่วยให้เกิดโยนิโสมนัสิการเป็นปัจจัยช่วยเสริมสร้างศรัทธาศีลจาระและปัญญาต่อๆไปเราเมื่อมีความรู้ถูกต้องแล้วศรัทธาก็เกิดขึ้นและมีแรงที่จะปฏิบัติคุณธรรมอื่น เมื่อรวมสุตตะเข้ากับศรัทธาศีลจาคะปัญญาเท่าที่มีอยู่ในระดับนี้เรียกว่าสัมปทาห้าหรือทรัพย์าสัมปทาห้าคือความถึงพร้อมสมบัติคุณสมบัติที่มีอย่างเต็มที่เมื่อรวมสุตตะเข้ากับศรัทธาศีลจาระปัญญาเท่าที่มีอยู่ในระดับนี้ เรียกว่าเป็นสัมปทาหหรือซัพ5ระดับโลกีเมื่อก้าวหน้าไปเป็นโสดาบันแล้วสัมปทาหรือซัพทั้งห้าเหล่านี้ก็จะกลายเป็นระดับโลกุตระไปเองซัพ5้านี้จะเป็นอริยซับหมวดหนึ่งแต่อริยซับหมวดที่รู้จักกันทั่วไปคือที่มีเจข้อซึ่งเพิ่มฮิริและโอตปะเข้ามา